ที่กายเวทนาจิตและธรรมคือเรื่องในจิตอันรวมเป็นอัตภาพตัวเราของเราอันเป็นที่ยึดถือนี่เองให้รู้สภาพคือความเป็นไปตามปัจจัยตามเหตุ ของกายเวทนาจิตทำเองและให้รู้ภาวะคือความเป็นความมีในปัจจุบันของกายเวทนาจิตธรรมนี้ซึ่งรวมกันอยู่เป็นก้อนเดียวกันคือก้อนกายและใจหรือกายกับผิดนี้น่แหละข้อกายข้อเวทนา ได้แสดงไปแล้วจะแสดงข้อจิตอันเป็นข้อที่สามคือจิตตานุปัสสนาสติที่ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตใจของตนเองว่าเป็นไปอย่างไรในปัจจุบันในข้อกายนั่น ดัดไว้เป็นข้อแรกเพราะเป็นวัตถุตั้งสติกําหนดได้ง่ายเมื่อกําหนดข้อกายชัดเจนดีแล้วก็จะพบเวทนาง่ายขึ้นเพราะเวทนานั่นความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ก็มีอยู่ที่กายและใจนี้เอง หรือที่กายและจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงกำหนดรู้ได้ไม่ยาก<จ>และเมื่อกำหนดข้อเวทนาได้ชัดขึ้นก็ตรัสสอนให้กำหนดดูจิตใจหรือใจจิตของตนว่าเป็นอย่างไรในปัจจุบันดังที่ตรัสสอนไว้ว่าจิตมีราคะคือความติดใจยินดี ก็ให้รู้จิตปราศจากราคะความปริจัยยินดีก็ให้รู้จิตมีโทสะความหมุดหงิ ด, งดขัดเคืองโกรธแค้นจนถึงมุ่งร้ายหมายทำลายใครอะไรก็ให้รู้จิตปราศจากโทสะก็ให้รู้จิต มีหลงคือมีความคลืกแคลงสงสัยมีความฟุง้งซ่านทัดสายมีความไม่รู้มีความถือเอาผิดก็ให้รู้จิตปราศจากโมหะความหลงก็ให้รู้จิตหดหู่ก็ให้รู้ จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตถึงความเป็นใหญ่คือจิตที่มีสมาธิเป็นอุปจาระคือเิดเฉียดจะตั้งมั่นเป็นอัปปนาตั้งมั่นแนบแน่นก็ให้รู้จิตไม่ถึงความเป็นใหญ่ก็ให้รู้ มีความยิ่งคือความที่จิตยังอยู่ในภูมิต่ำเช่นภูมิที่เป็นกามาวจรเที่ยวไปในกามหรือภูมิจิตที่เป็นสามัญชนซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปและก็ได้ปฏิบัติ ให้ยิ่งขึ้นไปบ้างแล้วหรือยังไม่มีการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่าจิตสามัญก็ให้รู้จิตที่ไม่มีจิตอื่นที่เป็นระดับเดียวกันจะยิ่งขึ้นไปกว่าเช่นว่าเมื่อจิตอยู่ในภูมิสามัญก็ปฏิบัติทำสมาธิให้จิตมีสมาธิตั้งมันแม้ว่า ยังไม่แนบแลนด์ก็ใกล้ๆจะแนบแลนด์ก็ให้รู้บัดนี้จิตนี่ไม่มีจิตที่เป็นสารมันยิ่งไปกว่าแล้วคือสูงขึ้นมาแล้วเมื่อจิตสูงขึ้นไปอีกก็รู้แล้วก็รู้ว่ามีจิตที่ต่ากว่าจะยิ่งกันไปกว่าคือให้รู้เป็นลําดับขึ้นไป ให้รู้จิตของตนว่ายิ่งไม่ยิ่งอย่างไรจิตที่มีสมาธิตั้งมันก็ให้รู้จิตไม่มีสมาธิตั้งมันก็ให้รู้จิตวิมุตต์หลุดพน้นคือพน้นจากราคะโทสะโมหะด้วยการพน้นชั่วคราว ในขณะที่มาปฏิบัติธรรมจิตก็พ้นจากราคะโทสะโมหะชั่วคราวที่ปฏิบัติหรือว่าจิตปฏิบัติจนได้สมาธิที่ดีขึ้นก็พ้นจากราคะโทสะโมหะด้วยอำนาจของสมาธินั้นดังนี้ก็ให้รู้และก็ต้องให้รู้ด้วยว่ายังเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นชั่วคราว หรือว่าจิตไม่วิมุตตหลุดพ้นเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติคุณธรรมอะไรให้มีประจำใจสำหรับที่จะดับกิเลสได้ดังจิตสามัญทั่วไปยังวันไหวอยู่ด้วยอารมณ์และโลกโหลดหลงทั้งหลายก็ให้รู้ดังนี้คือปฏิบัติกำหนดตรงเข้ามาดูจิตนี้เองอันเป็นศูนย์รวม สำคัญของความดีความชั่วทั้งหลายของความมีกิเลสและความไม่มีกิเลส ท, ทั้งหลายแม่การตั้งสติกาหนดในข้อกายในข้อเวทนาก็ต้องอาศัยจิตคือจิตที่ตั้งกำหนดดูกายจิตที่ตั้งกำหนดดูเวทนา ถ้าจิตไม่ตั้งกำหนดก็ย่อมจะไม่เห็นกายไม่เห็นเวทนาไม่รู้กายไม่รู้เวทนาและแม้ตัวจิตเองถ้าไม่ตั้งสติกำหนด <c oughs> ก็ย่อมจะไม่รู้จักจิตของตัวเองแม้ว่าจิตจะมีราคะหรือว่าปราศจากราคะ จ, จิตจะมีโทสะหรือปราจจะโมหะจิตจะมีโทสะหรือปราจจะโทสะจิตจะมีโมหะหรือปราจจะโมหะก็ไม่รู้จักจิตของตนภาวะคือความเป็นของจิตที่เป็นไปอยู่ก็เป็นไปอยู่ซึ่งบางคราวก็มีราคะบางคราวก็ปราจจกราคะเป็นต้นเป็นป ก, กติแต่บุคคลเมื่อไม่มีสติกำหนดก็ไม่รู้จักจิตของตน พราะสติที่กำหนดนี่เหมือนอย่างกระจกหน้าของตัวเองนั้นถ้าไม่มีกระจกเงาส่องก็มองไม่เห็นนล้วเป็นอย่างไรหูตาจมูกก็มีอยู่หูตาจมกูกจนจะหลับกาจะลืมตาจมูกจะเป็นอย่างไรหูจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักต่อเมื่อ ได้มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าติดเตือนให้ใช้สติความกำหนดรู้และปัญญาคือความรู้จักมาเป็นกระจกส่องดูจิตใจของตนเองจึงจะรู้จักเหมือนอย่างเอากระจกส่องดูก็จะเห็นหน้าของตนเองว่าเป็นอย่างไรในเวลาที่ เกิดราคะความติดใจ ย, ยินดีหน้าตาของตนเป็นอย่างไรก็จะรู้เมื่อเอากระจกส่องดูเมื่อเกิดโทสะโกรธแค้นขัดเคืองหน้าของตัวจะเป็นอย่างไรส่องกระจกดูก็ให้รู้เมื่อเกิดความหลงไหลเอากระจกส่องดูก็จะรู้หน้าของตัวเองก็เป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีเมื่อมีสติกับปัญญามาเป็นกระจกส่องดู จิตของตนเองก็ย่อมจะรู้จักจิตของตนเองว่าเป็นอย่างไรจิตมีราคาดังที่กล่าวแล้วก็จะรู้จักจิตของตนเองว่ามีอาการที่ติดใจที่ยินดีที่พอใจอยากได้ใครจะได้ในบุคคลในวัตถุนั้นๆ มีอาการที่ดิ้นรนไม่สงบเพื่อที่จะได้จิตปราศจากโลคราคะเมื่อมีสติกำหนดดูก็จะรู้จักว่าจิตจะสงบไม่ดิ้นรนไปเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะติดใจ ย, ยินดีในอะไรเป็นจิตที่ว่างจากราคาจิตมีโทสะ เมื่อกำหนดดูเข้ามาที่จิตของตนก็จะรู้จักว่าจิตของตนนี้กําลังเดือดกําลังพร่านมุ่งร้ายไปที่บุคคลนั้นๆที่ตนโกรธเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เขาทำร้ายเราอย่างนั้นทำร้ายเราตรงนี้เขาด่าเราอย า, าด่าเราอย่างนี้เป็นตน้นก็จะมองเห็นจิตของตนเองว่าเดือดพร่าน จะมีความดิ้นรนไปในทางร้ายต่างๆเราบุคคลที่โกรธเมื่อจิตปราศจากโทสะก็จะรู้ว่าจิตนี้สงบนว่างจากความคิดร้ายอย่างนั้นความมุ่งร้ายอย่างนั้นจิตมอยโมหะเมื่อมาตรวจกำหนดดูแล้วก็จะรู้จักว่าจิตที่มีโมหานั้นเป็นจิตที่มึนซึมเป็นจิตที่ ไม่สว่างเป็นจิตที่ติดสยบดังที่เรียกว่าหลงไหล <c oughs> อยู่ในบุคคลหรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจิตที่งุนงงเคลิบเคลิมง่วงมุนหลับไหลซึมไม่กระปรีก้กระปร่าที่จะประกอบการงานทั้งปวงดูไปทางไหนก็ตันไปหมด เป็นลักษณะของจิตที่มีโมหะทางนั้นจิตที่ปราศจากโมหะ ก, ก็หนลกูจิตเช่นนี้ก็จะรู้ว่าเป็นจิตที่สว่างแจ่มใสไม่มืดมัวโปรง่งคิดอ่านอะไรก็คล่องแคลว่วมีปัญหาอะไรก็แก้ได้ถูกต้องไม่ติดสยบอยู่ในอะไรเป็นจิตที่ว่างจากโมหะจิตที่หดหู่ เมื่อกำหนดนดูเข้ามาก็รู้ว่าจิตหดหูคือเป็นจิตที่ง่วงวุ่นเครือบเครื่อหรือไม่ง่ว ง, งุนเครืองเครม่อก็หมดกำลังใจอัดอั้นตันใจเหมือนอย่างถูกขังในอะไรหาทางออกไม่ได้เป็นจิตที่คับแคบดังกล่าวในกว้างขวางสดใส จิตที่ไม่หดหูก็ให้รู้คือเป็นจิตที่ไม่อัดอั้นตันใจเป็นจิตที่โปร่งสบายแจ่มใสกว้างขวางไม่เหมือนถูกขังอยู่ในที่แคบเป็นจิตที่กเกษมจิตที่ถึงความเป็นใหญ่คือจิตที่ได้สมาธิ สั่งแต่ในเบื้องตน้นอันจิตที่ไม่ได้สมาธินั้นย่อมเป็นจิตที่เหมือนอย่างถูกขังอยู่ด้วยนิวรณ์ต่างๆด้วยกามาฉันบ้างด้วยพิยาบาทบ้างด้วยหินมินทะความหงุดหงิดเริ่เริ่มบ้างด้วยอุตจกัจกกุจจะความฟุ้งซ่านลาคาญใจบ้างด้วย มีจิตขาความเพื่อแพลสงสัยบ้างเป็นจิตที่ไม่มีอิสระแก่ตัวเองถูกบรรดาณนิวนรณเหล่านี้ยึดเอาไว้จึงกว้างขวางไปไหนไม่ได้เป็นจิตที่คับแคบเป็นจิตเล็กไม่ใหญ่แต่ว่าจิตที่ไม่ถูกนิวร์ดังกล่าวควบคุม ย้ำขังเอาไว้เพราะได้สมาธิสงบกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้ตั้งแต่ในเบื้องตน้นก็เป็นจิตที่เริ่มกว้างขวางดังเช่นเมื่อแสดงเมื่อปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาอบรมเมตตาจิตแพ้จิตลงไปให้ผู้นั้นผู้นี้โดยเจาะจงหรือว่าโดยไม่เจาะจง คือตัดทั้งปวงมีความสุขในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องขวาในทิศในระหว่างของทั้งสี่ทิศนั้นเป็นแปดทิศในทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนให้มีความสุขปราศจากทุกเกล้าสาตนให้สวัสดีด้วยกันทั้งหมดจิตใจจะไปกว้างขวางตามขอบเขตของเมตตาภาวนาที่ปฏิบัตินั้น ถ้าเมตตาภาวนาที่ปฏิบัตินั้นแผ่ไปทั่วโลกก็จะกว้างขวางไปทั่วโลกดังที่ตรัสสอนไว้ว่าให้จเจริญจิตที่มีเมตตาแผ่ไปในโลกทั้งสิน้นจิตก็ จ, จะกว้างขวางไปทั่วโลกโดยปราศจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมีโสะเป็นตน้น หรือปราศจากนิวรณ์ทั้งห้าจิต ท, ที่กว้างขวางไปทั่วโลกนี้คือจิต ท, ที่ถึงความกว้างขวา ง, วา ง, วางแต่ว่าจิต ท, ที่ไม่ได้ทําสมาธิดังนี้เป็นจิต ท, ที่ยังประกอบพฤกรรมามและอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดด้วยนิวรณ์ทั้งหลายอยู่ย่อมเป็นจิต ท, ที่ไม่กว้างขวางดังนี้เป็นจิต ท, ที่ขับแคบถูกควบคุมอยู่ด้วยกิเลสดังกล่าว เรงเรียกว่าเป็นจิตที่เล็กเป็นจิตที่แคบแคบเป็นจิตที่ไม่กว้างขวางก็งให้รู้จิตที่ตั้งมัน่นคือปฏิบัติสมาธิทําจิตให้ตั้งมัน่นในกรรมฐานทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นก็ให้รู้จิตไม่ตั้งมัน่นยังบกแวกประสับกระส่ายรุนทุรายก็ให้รู้ ซึ่งในการปฏิบัติทำสมาธินี้จะต้องมีสติกำหนดรูปพร้อมทั้งปัญญาหรือญาณหรืออย่างรู้ในการปฏิบัติกรรมฐานในยกขึ้นปฏิบัติเช่นปฏิบัติกำหนดในกายในเวทนาหรือในจิตนี้ก็ตัางต้องยกกิจขึ้นตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิคือเมื่อพิจารณากาย เช่นหมดอาณาปาณสติสติกำนดลมหายใจเข้าออกตั้งจิตกำหนดดูลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้เมื่อจิตตั้งอยู่ก็ย่อมรู้หมายความเมื่อเมื่อสติตั้งอยู่ก็ให้รู้ก็ย่อมรู้เพราจิตที่ตั้งอยู่ก็คือสติตั้งอยู่นั่นเองถ้าหากว่า จิตไม่ตั้งอยู่คือสติไม่ตั้งเรีวยว่าสติเลื่อนลอยไปก็ไม่รู้ในข้อจิตในข้อเวทนาในข้อจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติตั้งกำหนดอยู่ก็ย่อมรู้จิตที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันแล้เป็นอย่างไรจ้ากาลังทงสมาธิก็ดูสมาธิที่กาลังทานี้มันจิตตั้งอยู่หรือไม่ ก็ย่อมรู้จิตไม่ตั้งก็ย่มรู้นี่แหละคือดุสติแตและปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติสมาธิและเมื่อจิตไม่ตั้งก็ต้องมีสตินี่แหละนําจิตเข้ามาตั้งไว้อันเรียกว่าวิตกเมื่มีสตินี่เองคอยประคองจิตให้ตั้งอยู่เป็นวิจารณ์จิตตกไปก็มีสตินําเข้ามาตั้งไว้ใหม่ประคองไว้ใหม่จิตตกออกไปอีก ก็มีสติน้ำเขามาตั้งไวใหม่พระคลองไวให ม, ให ม, ใหม่ต้องมีความเพียรปฏิบัติดังนี้อยู่โดยไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งสติไม่ทิ้งสัมปชัญญะความรู้ตัวซึ่งเป็นลักษณะของปัญญาหรือญาณดังนี้กล่าวมาแล้วและเมื่อปฏิบัติดังนี้ไม่ปล่อยนานเข้าจิตก็จะเชื่องเข้า จิตที่เคยดิน้นรนกวาดปล่ยนกระสับกระส่ายออกไปในการมักคุณอารมณ์ทั้งหลายในภายนอกก็จะสงบเขาเชื่องเขามาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิและเมื่อจิตเริ่มตั้งตัวได้ในอารมณ์ของสมาธิก็จะเริ่มได้ปีติได้สุขในสมาธิ ก่อนจะได้ปีติได้สุขในสมาธินั้นจิตนี้เคยได้สุขได้ปีติได้สุขจากกามคุณอารมณ์ทั้งหลายในภายนอกเพลิดเพลิน อ, อยู่แต่ไม่ได้ปีติได้สุขในสมาธิเมื่อจับมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิก็ร้อนไม่เพลินหนีออกไปนี้ออกไปสู่ที่เพลิดเพลินที่มี ปีติได้สุขมีปีติมีสุขแต่ครั้นเมื่อมาได้ปีติได้สุขจากสมาธิขึ้นแล้วจิตก็จะเริ่มอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเพราะว่าสบายอยู่แล้วจิตสบายมีความอิ่มใจมีปีติมีความสบายกายมีความสบายใจเพราะฉะนั้นปีติสุขนี้เองจึงเป็นสิ่งสำคัญ พยายามทำสมาธิให้ได้ปีติได้สุขแล้วจิตจะอยู่จะไม่ไปเพราะว่าสบายแต่เมื่อจิตยังไปนั้นก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้ปีติได้สุขในสมาธิแต่ว่าเคยได้ปีติได้สุขในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายจึงออกไปหาสิ่งที่ตัวเองได้เคยสวยปีติสวยสุขเพราะจิตเองนั้นชอบปีติชอบสุข เคยได้ปีติได้สุขจากกามกคุณอารมณ์ทั้งหลายน่าจะมีความทุกข์โศกเพราะการมคุณอารมณ์ในบางครั้งบางคราวแต่ก็ได้ปีติได้สุขในการมคุณอารมณ์บางครั้งบางคราวสลับสับเปลี่ยนกันไปนั้นจับเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิแล้วยังไม่ได้ปีติได้สุขดังนั้นแต่ยิ่งไม่เคยปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วก็ยิ่งจะไม่ชอบเพรายังไม่เคยได้สุข ในปีติจากสมาธิพระพุทธเจ้าจึงตัดเปรียบเหมือนอย่างว่าปลาที่จับขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกปลาก็จะดิ้นลงไปเพื่อจะลงน้ำฉันใดจิตที่จับมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ฉันนั้นก็จะดิ้นลงไปสู่น้ำคือกามาคุณอารมณ์เพราะว่าจิตนี้เคยอยู่กับกามาคุณอารมณ์เพลิดเพลินยู่กับกามาคุณอารมณ์ทั้งหลาย ในโลกเมื่อจับมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิจึงไม่สบายก็ดินรนไปหาที่สบายของตัวเองแต่เมื่อมีสติพร้อมทางสมบัตัญญะคือความกำหนดระลึกกำหนดและความรู้ตัวพร้อมทางปัญญาหรือญาณดังกล่าวนั้น ดึงจิตเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิอ น, นี้เรียกว่าวิตกคอยประคองเอาไว้มาให้หลุดไปอยู่เนืองๆอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างไม่ยอมละทิ้งแล้วเมื่อจิตเริ่มสงบจากความดิ่นรนดังกล่าวก็จะเริ่มายปีติในสมาธิในสุขในสมาธิจิตก็จะอยู่ตัว คือตั้งอยู่ได้นานเข้าจนถึงใกล้จะแนบแน่นจนถึงแนบแน่นคืออยู่ได้นานตั้งกำหนดเวลาที่ต้องการ <c oughs> อย่างสงบจริงจรจิตไม่บอกแวกออกไปไหนที่เรียกว่าเอกกคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวมียอดเป็นอันเดียวมียอดคือมีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นจิตที่เป็นตัวสมาธิ ดังนั้นก็ต้องให้มีสติคอยรู้จิตอยู่เสมอปฏิบัติสมาธิไปก็มีสติที่รู้จิตอยู่เสมอว่าปฏิบัติสมาธิมีอาการเป็นอย่างไรยังไม่ตั้งมัน่นจะตั้งมั่นขึ้นอย่างไรจนถึงตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ให้รู้ไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ก็ปฏิบัติให้ตั้งมั่นโดยลำดับแต่เมื่อดังนี้แล้วก็จะได้ผลคือจิตจะวิมุตติหลุดพ้น ในเมื่อจิตได้ตั้งมันเป็นสมาธิหลุดพน้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือจากมีวนทั้งหลายนั่นเองในขณะที่จิตตั้งมันจนได้มีมุดคือความหลุดพ้นจิตไม่วีมุติก็ให้รู้คือว่าจิตนั้นออกจากสมาธิหรือเลิกทําสมาธิกิเลสก็กลับเข้ามาใหม่จิตจึงยังอยู่กับกิเลสไม่พ้นจากกิเลสกิเลสก็เข้ามาครอบงำ เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้คือจิตที่ยังไม่มพุทไม่หลุดพ้นแต่ในการปฏิบัตินั้นก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่ในขั้นต้นดังนี้ไปคือเริ่มทาสมาธิจิตยังไม่ตั้งมันก็มีอาตาปีคือมีความเพียรเขากิเลสคือความเพียรที่จะระงับนิวรณ์มาให้ดึงจิตไปสัมปชาโน มีความรู้ตัวอันเป็นทางปัญญาและโดยเฉพาะก็คือว่ารู้ตัวและตัวเป็นอย่างไรสติมามีสติคือมีสี่กำหนดวินนยโลกเกะอภิชาโดบาลัรสังกำจัดอภิชาคือความยินดีโทมันคือความยินร้ายในโลกเสียเมื่อมีคุณธรรมสำหรับปฏิบัติดังกล่าวมานี้ เป็นอุปการะก็จะทําให้จิตที่ไม่เป็นสมาธิคือไม่ตั้งมั่นนั้นมาเป็นสมาธิคือตั้งมั่นกันโดยลําดับและจิตที่ไม่วิมุตติคือหลุดพ้นก็จะหลุดพ้นไปโดยลําดับแต่มืในเบื้องต้นก็ต้องเป็นที่เรียกว่าตะทางกับวิมุตติความหลุดพ้นโดยองค์นั้นหรือเช่นหลุดพ้นโดยสมาธิขณะที่มีสมาธิอยู่กับหลุดพ้นไม่มีสมาธิกิเลกก็กลับมาก็ไม่พ้นไปใหม่ หรือว่าวิคขำพนะวิมุตต์หลุดพ้นด้วยการสะกดไว้คือสะกดไว้ด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญายกําหนดพิจารณาให้รู้จักเกิดดับไปตามเป็นจริงและเมื่อได้สติได้ปัญญาดังนี้แล้วสติปัญญานี้ก็สะกดกิเลสเอาไว้ไม่ให้กําเริบขึ้นและเมื่อออกจากการปฏิบัติสติปัญญาดังกล่าวนี้เลิกไป กลเอทที่ถูกสะกดไว้ก็กลับขึ้นมาใหม่แในเมื้องตอน้นคปฏิบัติไปดังนี้พ้นแล้วกลับไม่พ้นพ้นแล้วกลับไม่พ้นจิตตั้งมัน่นแล้วกลับไม่ตั้งมัน่นและเมื่อปฏิบัติบ่อยๆเข้าจิตก็จะตั้งมั่ น, นนานยิ่งขึ้นบ่อยเข้าวิมุตต์ก็จะได้มากขึ้นและบ่อยขึ้นไปจนถึงกําจัดกิเลสได้เด็ดขาดจป็นแกได้เป็นวิมุตต์ที่เด็ดขาด ไปโดยลำดับจิตก็จะตั้งมั่นอยู่คงที่ตามชั้นตามภูมิที่ปฏิบัติต่อจากนี้ก็ให้ตั้งใจความส่วนและตั้งใจทำการระสอบสืบต่อไป